อท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้ก็มาพูดกันที่ว่าความตายปรากฏตอนที่แล้วมาเล่าถึงอาการที่ว่ามันจะตายจะตายเพราะกินเนี่ยคนเห็นแก่กินเนี่ระวังนะคนที่ชอบกินน่นคนที่ชอบกินนี่เดี๋ยวมันก็ตาย แต่ความจริงการตายเท่านั้นมันก็ดีถ้าเยะ ว, ว่ากไปตามส่วนเราไม่ได้อดตายเรากินตายแล้ว่าตายเพราะความอิ่มตะกละกินห้อคงยำเพราะคงพา้าแต่เยะ ว, ว่าไปโทษห้อคงมันก็ไม่ถูกถห้อยคงผ้าเป็นพิษจริงๆแล้วก็มันจะต้องเป็นในการทั้งหมดไม่เป็นคนเดียว โคสราบานทั้งหลายไม่มีใครก็เปล่งกันเลยโอ้มันแย่เราเก่งคนเดียว <c oughs> เป็นอันว่าเราเก่งคนเดียวมาคุยกันต่อไปตามหนังสือตามหนังสือบ้างแทรกหนังสือบ้างว่าไปตามเรื่องของคนที่อยากพูดตอนนี้ถ้าผูดอะไรรุนแรงไปบ้างนะในช่วงนี้นะ่ะตลอดเล่มก็ขอใบอภัยกัมมันดาท่านพุทธบริษัท เพราอว่าเวลานี้จะนั่งทนให้พวกบรรดาโพวกเดรัจฉีพวกทำลายพระศาสนาตั้งหน้าตั้งตาทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครยันในะเห็นจะทนกันไม่ไหวถ้าเรื่องส่วนตัวนี่ทนได้ถ้าเรื่องพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้านี่ไม่ยอมทน <c oughs> ไม่ยอมทนเพราะว่าตั้งใจทนมองดูความดีมันดันแล้วชื่อเบกขาความวางเฉย คิดว่าเจ้าพวกนี้จะดีขึ้นมันก็ยังเลวอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเขายังเลวได้เราก็ลองชนกันเลวดูแต่ว่าชนกันไม่ไหวก็ขอแยกนิกายเป็นพุทธนิกาย <c oughs> ไม่ยอมรวมกับพวกอรชีที่ไม่มีความอายพวกนี้แต่ความจริงพระนะัทธันดีมากนะจะลืมว่าพระที่บวชที่ดีก็มีเยอะ ที่ชั่วก็มีที่ดีก็มาก <c oughs> คนชั่วหายากคนเลวถมไปหรือว่านักบวชที่ดีหายากนักบวชที่เลวถมไปไปดูเอาก็แล้วกันเมาตํำรับเมาตําราศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สนใจทําตนคล้ายๆกับครวญชั้นเลวนี่ก็มีมาก แต่ว่าท่านดีจนทั่งไม่มีความรู้สึกเสียดใดๆเสียสละทุกอย่างเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเพื่อความอยู่เป็นสุขของประชาชนเพื่อหวังกตัญอยู่กตเวทีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็มีมากฉะนั้นขอบัญไดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลาจะไหว้พระแล้วก็เลือกไหว้นะเลือกไหว้ถ้าท่านไหว้ไปชนพระที่ดีเข้าก็มีประโยชน์ แถ้าว่ายไปพลชนพระทิเลวเข้าไอ้ความเลวมันจะเข้ามาถึงท่าน <c oughs> แต่ว่าเวลานี้พวกเลวมีเงินมีเงินหลายสิบล้านน่าอาจจะเป็นร้อยๆอยล้านก็นได้มีเงินที่สะสมไว้เองบ้างมีเงินที่เขาจ้างมาทําลายพระศาสนาบ้างสังเกตไว้ด้วยบรรดาญาติโยมพระตบริชัท ระ ว, วังเงินที่ท่านให้เขาจะกลายเป็นเงินทำลายพระศาสนาไป <c oughs> เอาเริ่มต้นก็ว่าคาเสะก่อนตอนนี้มันต้องแรงกันแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องแรงกันแล้วแรงมาก็แรงไปมันจะไปยากอะไรยิ้มมาก็ยิ้มไปไหวมาก็ไหวไปด่ามาก็ด่าไปแรงมาก็แรงไปให้สนุก มันต้องราคาเท่ากันมันถึงจะไปกันไหวมาคุยกันต่อไปว่ามาวันรุ่งขึ้นคุณตอนเช้าเวลาเก้านิกาก็เริ่มปวดทอ้องอีตอนนี้เริ่มปวดท้องแล้วท้องมันก็ถ่ายถ่ายสบายจริงๆไม่ต้องเบ่งอ่ะพนั่งครับวบพรวดพรูดรวิ่งโฉมหมาจริงดีงจริงๆ ถ่ายง่ายดีกว่าใช้ยาถ่ายมันถ่ายแบบชี่นิที่เรียกว่าไม่มีเสียงสะบัดเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของฮิวาเตกโรคตอนนี้บรรดา ญ, ญาโยโมพุทธบริษัทหมอฟังมั้งหรือเปลา่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าหมอจะฟังได้สั ญ, ญลักษณ์ที่แกเข้าใจว่าไอการถ่ายของฮิวาเตกโรคมันมีเสียงสะบัดมีเสียงลมหรือเปลา่าก็ไม่ทราบที่แกเดินมา แต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาจริงๆจะอาการของโรคอา ต, ตมาไม่ใช่หมอถ้าจะเขียนหมอก็เขียนได้เอาหัวโต อ, อออกซะถ้าหลังไม่สละอาเป็นนั้นว่าอาการถ่ายเนี่ยมันถ่ายพื้นไม่มีลมเลยลมสมบัติไม่มีอาการอย่างนี้ท่านลุงผู้เป็นหมอบอกว่ามันเป็นอาการก็ไออววาจากขโรค เมื่อถ่ายครั้งแรกก็เริ่มก็ดีนะแต่แม่สาบอยู่ที่กันสองคนกับแม่นะตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยพวกพี่พ่อน้องเขาก็ไปกันที่อื่นหมดไปทุระเขาไปใช้เวลานานไปบา่บาเวลาเปประมาณหนึ่งเดือนแต่สองคนกับท่านแม่ก็เฝ้าบ้านใน <c oughs> เวลาตอนเช้าก็งหุงข้าวให้ทัน หุงข้าวเสร็จทำอาหารเสร็จก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกลับมาก็มีหน้าที่กลับเข้ามาหุงข้าวท่านแม่แต่ก็ทำงานอย่างอื่นเพราท่านไปเป็นนั้นว่าอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกเมื่อถ่ายครั้งแรกก็บอกให้ท่านแม่ทราบว่าท่านแม่กขารับผมถ่าไม่ดีซะแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะอาการถ่ายครั้งนี้มันผิดปกติ ถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเวียนๆตาเมินวินตาลายๆเจ้ากลิษะเมินๆทานท้องก็ปวดมากในการถ่ายนี้อารมณ์ไม่สมบัติท่านลุงที่เป็นหมอเคยบอกว่าคนที่เป็นอหิวาตกรโรคเขามีอาการถ่ายแบบนี้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นเวลาลุงไปรักษารโรคชอบตามท่านไป อยากจะเป็นหมอก็เขาบ้างเนื้ปลาก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเรื่องของความสนท่านลุงก็แนะนํำวิชาวเขาหมอเรื่อยๆเจออะไรเข้าท่านตรวจพบได <c oughs> ้อธิบายฝั่งบางครั้งท่านก็ส่งหูฟังให้ฟังมาแล้วท่านถามว่าดีนเสียงแบบนั้นดีนเสียงแบบนี้ไหมก็บอกว่าท่านก็มบอกท่านว่าไดด้ีได้ยิน ถ้่บอกอาการที่เสียงแบบนี้อาการโรคมันแปลนแบบนั้นเขาเรียกว่าโรคแบบนั้นแบบนี้ถ้าเวลาใจใช้ยาต้องใช้ยาแบบนั้นแบบนี้แล้วท่านกับพยากรณล่นนะุงนาว่าอาการเวลาเท่านั้นโรคนี้จะเป็นอย่างนั้นเวลาอาการเท่านนนโรคนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องใช้ยาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีวิธีหนึ่งที่ใช้ยาตัดไปก่อนกันไว้ก่อน <c oughs> แต่ว่าจะต้องกันในช่วงระยะเวลาที่อาการอย่างนั้นมันจะปรากฏก่อนหน้านิดหน่อยนี่ท่านบอกคุณท่านวเวสสิทธิท่านก็บอกสมุธฐานการเกิดของโรคว่าโรคประเภทนี้มันจะต้องเกิดจากอาการอย่างนั้นอย่างนี้บางทีท่านก็ถามคนที่เป็นโรคว่าเกิดวันเดือนปีอะไรอายุเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ถ้าบอกอายุท่านเส็จท่านก็บอกว่าอาการประเภทนี้จะต้องเป็นโรคของประเภทนั้นการใช้ยาต้องหายาประเภทนั้นไว้มันจึงจะมีประโยชน์นี่หมอเก่าๆนะหมอใหม่ๆท่านอาจิษทลายกว่าในบริการหนึ่งถ้ามีเครื่องตรวจรักษาเวลานี้เครื่องตรวจโรคทันสมัยมาก <c oughs> หมอหมอเก่าๆต้องใช้มันสมองต้องใช้ปัญญาจึงใช้การสังเกตจึงใช้การชํานาญ จะถามว่าหมอรุ่นไหนดีก็ต้องตอบดีทุกรุน่นเพราะไปถามทันทีไม่มีคนไหนบอกท่านชัวเป็นอันว่าเมื่อแจ้งให้ท่านแม่ท่านทราบท่านแม่ท่านก็จับถายามาให้แล้วก็ใช้คนหนรีบไปตามท่านลุงที่เป็นหมอทันทีเนื่อ <c oughs> ว่าท่านลุงที่เป็นหมอมีชื่อเสียงมากมีความรู้ทั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นอันว่าถ้ามีความรู้ทั้งสองฝ่ายนี่มีประโยชน์ไม่ทะเลาะกันกว่าท่านลุงจะมาท้องก็ถ่ายเป็นวาระที่สามพ <c oughs> อตอนวาระที่สามนี่มาแล้วสิดาวเริ่มขึ้นศักดิ์ศรีใหญ่เริ่มจะมาอาการมันก็เพรี ย, ยจัดหมดแรงหายใจก็รู้สึกว่าเบาลง หูป้าตาฟางสาตามันก็เริ่มสั้นเขา่ามองอะไรรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดแต่ว่ากําลังใจสบายใจเนี่ยไม่มีการวิตัวกงังวลเพราะว่าคำภาวนาว่าพุโทโธนี่จะวิ่งเล่นจะไปไหนจะทําอะไรก็ว่าเป็นปกติเพราะว่าท่านแม่ท่านบังคับก่อนจะนอนก็ต้องว่าพุโทโธเป็นปกตินเวลา ก็กลัวจะลืมไปไหนมาไหนเดินไปเดินมาวิ่งเล่นนี่คือมาได้กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจว่าดีไม่ดีเดี๋ยวแต่แม่จนถามว่าเอวันนี้เรภาวนาพุโทโธกีกครั้ง <c oughs> ถ้าบอกว่าเปล่าเลยก็ระวังระวังก็บีอาญาสิทธิ์คือไม่เดียวมันจะเริ่มฉายแสงไม่นว่าท่านบอกว่าเราจะประมาทไม่ได้ในชีวิต การภาวนาว่าพุทโธเนี่ยทําให้คนตนทําคนได้เป็นคนฉลาดในบริการหนึ่งการภาวนาพุทโธทําตนให้เป็นคนไม่แพ้ใครนี่ท่านเข้าใจยอดิบในเวลานั้นเรียนนังเสืออยู่ก็เลยอยากจะเป็นคนฉลาดนีบริการที่สองก็ไม่อยากจะเป็นคนมีคะแนนแพ้คนอื่นนั่นก็คิดว่าพุทโธช่วยเป็นคนฉลาด พุทโธช่วยทําเปอร์เซนในการศึกษาได้ดีก็เลยภาว น, นาพุทโธเรื่อยๆไปเป็นนั้นว่าผู้ใหญ่ท่านฉ ล, ลาดกว่าเด็กและผู้ใหญ่สมัยนั้นบางทีอาจจะฉ ล, ลาดกว่าพระสมัยนี้มากก <c oughs> ็พระสมัยนี้บางทีสอบได้เปรียนเกา้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยยังภาว น, นาไม่เป็นเนี่ย ไปเจริญคนก็ภาวนาเป็นปริงเข้าแล้วก็ได้มโนยิธิก็ยังพูดแบบอันดับพันก็มีอันนี้ไปเจอมาเองนะไปเจอมาเองแล้วก็เจอหลายรายการตอนหน้าทาไล้กำนันบุคคลหลายระดับชั้นที่พูดนั่นเป็นคนระดับด็อกเตอร์แล้วก็พูดในคนก็มีเขาทำได้แต่ได้ว่าพระอิหมภากาสาวพัทไปพูดแบบนั้นเข้าก็รู้สกสลดใจ แสดงว่าตนไม่ได้ทำอะไรเลยมีค่าไม่ควรแก่ผ้ากาสาวพัดอีนนี้ขอฝากบรรดาพระมหาเทรานุเทระไว้ด้วยนะช่วยดูดูกันบ้างว่าบุคคลที่มุ่งทำลายพระศาสนาที่เข้ามาอยู่ในขอบเขตผ้ากาสาวพัดนี่ยกันกันกันว่าจะบ้างยาส่งเสริมกันมากเกินไปนี่ทิ้งก็ตั้งมูลนิธิสนับสนุนกันเลยนะ บอกบุญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ต, ตั้งเป็นมูลนิธิให้ทุนกันเลยแต่ผู้ที่ได้ทุนประเภทนี้ท่านดีก็มีมากที่เร็วก็มีเยอะเดินทางไปพบเจ้ต่างประเทศมาเองและพระที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยดูดกันใช่บ้งนะักฟังข่าวก็ใช่บ้างแต่หากว่าปล่อยกันเร็วแบบนั้นแสนดงผู้ส่งไปก็มีความเร็วเท่ากันกับคนที่ไป แล้วยาอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาถามหูตามีส่งท่งไปแล้วก็ดูกับเราเองบ้างเกี่ยวกับนั่งสอบนั่งสามนั่งถามนั่งทวนดีไม่ดีก็เสียเวลาการงานเพราะยังไงยังไงท่านก็เร็วเสมอกันถ้านไม่เอาโทษผู้เดียวกันหรอกเวลานั้นว่าเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีมองดูนาฬิกาที่บ้านเห็นเกือบเวลาเก้านอตอนนี้ก็มีอาการเพียร ม, มาก แรงก็ไม่มีท้องก็ปวดมากภายในก็มีความร้อนจัดความปวดของท้องปวดถึงกับผิวหนังมาถึงผิวหนังเลยผ้าที่นุ่งก็ต้องวางท่าไว้เฉยๆก็หมดรักขึ้ขัดก็ไม่ได้มันปวดจริงๆอาจาก็หมดหรือว่ารัดขึ้มขัดจะทำไม่ได้แน่ด้วยมันปวดแสนที่จะปวดเกินกว่าที่ทาอย่างนั้นได้ไม่เคยปวดแบบนั้นมาเลยนะ นี่และชายทีทุกขาชราทีทุกขาประนำ้ำททุกข์มัรเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกอย่างนี้ฟังแล้วก็จำํำกันไว้ด้วยนะว่าเกิดมานี้ไม่มีอะไรเป็นสุขมันมีแต่ตัวทุกอย่างเดียวไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดจากเกิดจากการป่วยไข้ได้ป่วยมันหลีกหนีไม่ได้เป็นอันว่าเวลานั้นท่านลงก็มาถึงพอท่านมาถึงท่านก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็ม พอฉีดยาแล้วเด้งเข็มดึงเข็มออกเดียวๆค่อยๆมีรมใจสบายขึ้นน่ากลัวจะเป็นยาบำรุงหัวใจไอโรคนี้เขาก็ใช้ยาบำรุงหัวใจแล้วก็ให้น้าเกลือแทนน้ําที่หายไป mm hmm. เมื่อท่านให้ฉีดยาแล้วท่านก็ให้กินยาเสร็จแต่สองอย่างท่านแม่ก็หยีพระพุทธรูปที่อาตมารักที่สุดมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เป็นทองคำหน้าตาักประมาณที่สองนิ้วเยี่ยได้กาเก่านะไม่แน่นะกทองคำแล้วก็สวยอาร่ามมากเรานี่รักว่าท่านสวยนึก จ, จิใจมันรักทองคำสีสดท่านมาวางไวท้ทางขวามือพอมองเห็นหมายความไม่ต้องเหลียวมองดูมองไปธรรมดาปล่อยตาธรรมดาก็มองเห็นพระพุทธรูปถนัด ถ้าใคะจุดธูปที่มีกลิ่นหอมมากเห็นจะเป็นธูปแขกมันหอมชื่นใจจริงๆเมื่อท่านแม่จัดเรื่องพระเสร็จท่านก็นบอกว่าลูกรักขอลูกจุมภาวนาว่าพุทโธนะลูกนะคำว่าพุทโธนี่ภาวนาไวา้แล้วก็จำลูกพระพุทธรูปให้ติดตาคือหลับตาให้ก็เห็นลืมตาก็เห็นนึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้ เมื่อหลับตาลงไปจนนึกถึง พ, พระเมื่อลืมตาก็จนดูพระทำไมอย่างนั้นนะภาวนาไว้ว่าพุทธโธพุทธโธในใจไม่ต้องไม่จะออกเสียงถ้าใจนึกถึงพระหลักตาก็เห็นพระลืมตาก็เห็นพระเป็นอนุน่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีอนุภาพมากท่านรู้ภาษาบาลีเล็กน้อย รว่าหลวงพ่อปานสอนท่านท่านบอกว่าพุโทโธอัปมาโนคุณของพระพุทธเจ้านีหาประมาณมิได้หรือว่าพุทโธประมาณโนเดชเดชาของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณมิได้ไดดดดไดย่อมสามารถจะป้องกันพันธนารายทุกอย่างได้เว้นไว้แต่ว่าถ้าเราหมดอายุไขแหมมีวงเล็บซะด้วยถ้าไม่มีวงเล็บก็ค่อยอยังชั่ว นี่แอบมีวงเล็บผนด้วยแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าบังเอิญถ้าเราจะหมดอายุขายจริงๆถ้าจําเป็นจะต้องตายการตายแล้วเราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ตอนพูดจบตรงนี้ใจหายวาบใจหายวาับรือว่าเกิดเป็นหมาแต่ท่าไม่บอกอย่างนั้นเทรานบเราจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเรวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นเทวดา อย่างกลางเราก็จะเกิดเป็นพรหมเออนดีไม่ดีเราก็อาจจะไปนิพพานเฮ้ยนิพพานตัวนี้มันคยรู้จั ก, ท, กท่านกฐินบายซึ่งภาวะเทวดาพอท่านพูดเรื่องเทวดาก็เล่มรดีงก็ท่านบอกเข้าใจครับเพราะเรื่องของเทวดาเรื่องของผีเนี่ยสัมผัสมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีมันก็เป็นของไม่ยากนะ เป็นขอไม่อยากบ้านไหนเขามีอะไรที่ไหนแล้วไปเจอะหมดคนตายกี่คนก็ก็มาหาหมดแกก็มาบรรยายความตามไทยสเสด็จญาตประสมัยที่แกอยู่เป็นมนุษย์แกทําความดีแกทําความเลวอะไรอธิบายไว้หมดในเวลานี้แกไปอยู่ที่ไหนมีความสุขจริงไงเห็นภาวะทั้งหมดพอท่านแม่พูดอย่างนั้นความมั่นใจมันก็เกิดนะ ความมั่นใจมันก็เกิดว่าพุทธโธประมาณโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้พุทธโธประมาณโนเด็กของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้เป็นว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าต้องช่วยเราให้หายเจ็บหรือมิเชนนั้นถ้าเราจะพึงตายพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยเราไปสวรรค์สวรรค์ที่นอนฝันเห็นเห็นภาพเทวดาปรากฏ เขาก็ได้ปรากฏหลายวาระนึกถูกชุดกชอบใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวสาวชาวสวรรค์นี่น่ารักจริงๆคิดว่าถ้าอยู่บนสวรรค์ได้เราหวานเจ๋วสาวสาวสวยเยอะคนแก่ก็ไม่มีตอนนี้กำลังใจก็เกิดขึ้นตั้งใจภาวนาเต็มที่ท่านแม่บอกว่าพระจะช่วยให้ลูกหายเร็วๆและลูกเองก็ต้องมิจะาไม่เจ็บท้อง ด้วยการภาวนาว่าพุโทโธถ้าลูกทําได้จึงกําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกไปด้วยเพื่อความสะดวกจะได้ไม่เนื่อยเวลาให้ใจเข้านึกว่าโถพุทธมาล้าใจออดนึกว่าโทนี่ถ้าได้ควบอานาปานุสติกรรมฐานไปด้วยตอนที่เขียนหนังสือนี่มันกับพ่องอระแป้งไปหน่อยนะาะเพราะว่าเวลานั้นป่วยหนักก็ต้องขอต่อขอเติมตามความเป็นจริง เรื่องภาวนาวัฏโธนี้ท่านแม่สอนแล้วก็บังคับไว้เป็นปกติเมื่อยามปกติท่านจะบังคับให้บูชาพระก่อนนอนให้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธังสนังกชามิึแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตัมมางสนังกชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสนังกชามิขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง แล้วก็ให้ภาวนาว่าพุโทโธสามครั้งเบาๆสบายๆว่าช้าๆด้วยความเคารพตั้งว่าให้ท่านได้ยินด้วยน่าจะจึงจะนอนได้เมื่อเป็นเด็กๆความจริงอาตจมาก็คิดว่าท่านให้ภาวนาก็ภาวนาไปงั้นแหละฮะแต่วัยตอนเด็กๆเนี่ยมันมีของดีอย่างประจําใจ จัดว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือกลัวผีไอ้เรื่องผีนี่กลัวจริงๆไม่ร่วมเป็นยังไงเคยเห็นผีแน่าก็กลัวไอ้ผีที่เห็นน่ะไม่กลัวเพราะเวลาที่เขามาให้เห็น <c oughs> เขาไม่ให้กลัวแต่ถ้าว่าไอ้กลัวผีน่ะมันไอ้ผีประเภทหนึ่งที่เราไม่รู้จักว่าสายเกิดการกลัวผีเนี่ยท่านแม่ทั้งอะไรบอกว่า พุทโธนี่นะผีกลัวนะพุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราจะไปไหนเราภาวนาว่าพุทโธไว้เนี่ยผีไม่กล้าอยู่ต่อก่อนเรื่องนี้มันเรื่องจริงๆนะมันเรื่องจริงๆครัง้งหน้าจะพบว่าคําว่าพุทโธเนี่ยผีกลัวจริงๆก็แา้ขับผีจะไปหาอย่างอื่นเลยเอาแค่พุทโธอย่างเดียวพอก็น่าจะพบ แต่บอกว่าเมื่อกลัวผีจงภาวนาว่าพุโทโธผีจะไม่หลอกเ อ, อ้ยผีนี่เมื่อกลัวผีมาใดทำไมอย่างนั้นฉันก็ภาวนาว่าพุโทโธเสมอฮไม่ใช่ว่าภาวนาพุโทโธอ บ, บุญสลัดีท่านบกฟงังตอนนี้แต่มาในตอนนั้นเมื่อเวลานึกจะไปไหนกลัวผีจะหลอกก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธพุทโธจะเพื่อความมั่นใจ เวลาภาวนาพุทโธน้ำลายมียู่ในปากก็เลยนึกเสกทำลายไปในตัวเสร็จแล้วก็กลืนน้ำลายเอื้อภาวนาชอบใจเนะีพอใจแล้วกลืนน้ำลายเอื้อทำมิสามครั้งคิดว่าถ้าเราลืมภาวนาว่าพุทโธน้ำลายที่เราเสกว่าพุทโธอยู่ข้างในจะป้องกันผีได้เป็นนั้นว่าตอนนั่นเมื่อตอนยังไม่ป่ยวยภาวนาพุทโธกันผี ได้ว่าอีตอนที่จะตายนี้ภาวนาว่าพุทโธกันตายเอาละสิมันนะได้ไหลายอย่างเป็นนั้นว่าเมื่อภาวนากาันผีหลอกมันจะเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญก็ช่างอีตอนนั้นไม่ได้นึกถึงบุญถึงกุศลมันนึกกันอย่างเดียวว่าเราภาวนากาันผีหลอกมาตอนนี้ท่านบภาวนาว่าพุทโธก็เป็นการภาวนาวุทโรักษาโรค ท่าแม่บอกว่าถ้าภาวนาว่าพุทโธอยู่จะหายเจ็บหายปวดก็โดยถือว่าเป็นการภาวนารักษาโรคถ้ากลัวตายก็ภาวนาวุทโธยันกันตายไว้ในตอนหลังถ้าบังเอิญถ้าตายแล้วเราจะเป็นเทวดาหรือผมหรือปานิพานนิพานนี่ยไม่ได้สนใจสนใจแต่คํำภาวนาเทวดาหรือผมก็นึกว่าเออถ้ามันจะตายเราเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้ามีเยอะเทวดามีแต่หนุ่มแต่สาว นางฟ้ามีแตนุมเดสาวก็มีบ้านสวยๆ เ, เ, เคยเห็นเคยเห็นแก่เคยแสดงตัวให้ปลายกดหยุ่เสมอนล็กเอาละอยู่ก็อยู่ตายก็ตายถ้าตายขอได้เป็นเทวดาดีขอเป็นเทวดาเอาว่ากันไปเลยไม่ต้องจบก็แล้วต่อมั่งเติมมั่งคัดเศษหนึ่งเลยไม่ได้นายกัน หนังสือประวัติค่าวนี้น่ากลัวจะบันทึกถึงร้อยคัดเศษกันไม่รู้เอาบ้า ก, กันไปที่พระคุณมันอยากพูดมากเป็นว่าการภาวนาตอนนี้เป็นการภาวนารักษาโรคและภาวนาการตายถ้าโรคหายมันก็ต้องไม่ตายจริงถ้าหาว่าโรคไม่หายมันก็ตายตายแล้วก็ไป็เทวาดาก็จะยากอะไรเมื่อท่านแม่สั่ง มันจะมาก็ภาวนาแล้วก็ภาวนาอยากจะให้มันหายปวดท้องไม่จะภาวนาอะไรมันปวดจริงๆปวดแย่เลยทุกเวทนาอย่างหนักแล้วมันไอการปวดท้องเนี่ยมันทรมานบอกไม่ถูกมันเจ็บมันเสียดมันหู้ทางไหนมันก็ร้อนแต่ว่ามีอย่างหนึ่งการปว่วยท่านแม่บอกอย่าคลางนะอีตอนนี้ยุ่งเหมือนกัน ท่านฝึกว่าตั้งแต่เด็กๆครั้งไม่ได้การกินยาก็ไม่กินยาไทยยาฝรั่งก็ตามถ้ากินยาต้องกินได้ทลาดปกติแท่ทำหน้าบูดหน้าเบีย้ยวดีมันดีม า, มาตกหน้าไ ม, น ไ, ไม่ได้เหมือท่านดีมากเวลานี้ยังจํารอยนี้วที่หน้าไปแต่ทำทํ า, ท า, ทาหน้าบิดบิดบุดบุดที่หน้าเป็นอย่าี้ yeah. บอกว่าชีวิตของแกแกไม่สนใจฉันจะไม่สนใจอะไรกับชีวิตของแกอันดีท่า น, น, นเียงมาไม่ให้เราตายในเวลาที่เราจะช่วยตัวเองได้เราไม่ช่วยให้ายา ก, กินไม่กินมันก็ต้องตบหน้ามาอยาตายให้มันตายไปเลยถูกต้องท่านทำถูกอันนี้ขอขอบและคุณ ท, ท่าน ถ้าไม่ได้ท่านเลี้ยงดูไม่ได้ท่านเมตตาบารนีก็ตายโหงเป็นานานแล้วดีไม่ดีอยู่ในท่อในแกลงกิของเผ็ดจากเตี้ยวจากเช่นจากกูตายดีไม่เช่นนั้นัถ้าท่านเมตตาบารนีออกมาท่านเียงไว้ไม่เลี้ยงมันก็ตายไอ้ที่ทรงชีวิตอยู่ได้นี่ก็เป็นความดีของพ่อของแม่ของพราะท่านที่โค้มีคนั้นั้นความปรารถนาใดๆของพ่อของแม่ ถ้าเสียงนั้นไม่เคยมีสายไม่เคยขาดใจเยอหมดเวลาไม่ไนานเลยั hmm. ้นว่าจะมาก็นั่งนอนมองดูพระพุทธรูปแต่ว่าอง์นี้จําไม่ยากเพราะว่าเป็นพระที่รักมากท่านสวยเนื้อเป็นทองคำย mm hmm. ามปกติเวลาจะเดินไปเดินมาภาวนาว่ า, าวบุตรก็เห็นภาพอยูเสมอบางครั้งตอนนี้คืภาพของท่านนั่ง ภาวนาไปเดินไปบลเหนว่าภาพมันอยู่บางครั้งก็อยู่ในสมองบางครั้งเห็นอนตรายภาพดีนยออกอไปอนัยิ่งเ็นก็ยิ่งสวยเวลาเรียนหนังสือเวลาเดินทางไปไหนให้กนอยู่ในหัวลเป็นยามเวลาเรียนหนังสือจะเข้าห้องเรียนแล้วครูยังไม่สอนนึกถึงพระองนี้ให้ไป อ, อยู่ในศีรษะตั้งใจคิดว่าจะได้ เวลายามปกติตอนนี้ชคงภาพอันี้ที่อยู่ในหองที่แม่ร่างกายมันสบายใจดีจิตไม่เอาเองคนเดียวอย่างบรสัเป็นอันว่าบรรดาญาโยผู้ตบริษัทพุ่งไปพุ่งมาพุ่งมาพุ่งไปมองดูเวลาหมดที่แล้วเทาอยู่ไม่แค่นี้หมดแล้วนะเมื่อมันหมดกันแล้วมันหมดเวลาหนังสือมันหมดว่าแล้ว ดีไม่ดีว่าเรื่องประวัติหลวงพ่อปานนักศิ์วัดพลวปานนี่เอาร อ, อ100กตั้งร้อยท่นานเสียบ้างแต่กไม่ถึงร้อยถึงร้อยมึจะตายกูไม่ดเพราะเวลานี้มัชเตะท่านเสียสังตัง่เป็นตัวแม่จมอยู่ในห้องราคาทั้งหลายแสนบาท <c oughs> ยังเป็นหนี้เอาใช่หนี้เขาไม่หมดเลยอะเลบันดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วนะ พูดไปพูดมาพูดปาพูดไปนี่ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจวันดาท่านผู้ดบริจัดแต่วันดาเพื่อนสาวนาวิสัยด้วยกันก็ขออภยัยดยนะแต่ความจริงพระที่เร็วๆนะ่ะควรจะช่วยตักำจัดใช่บ้างนะยาสนับสนุนก็นให้มันมากนะักเพราะคนที่เขาเป็นปัญญาชนไปพบกันมาแล้วนะถ้าจะสั่งใครส่งใครไปตามประเทศและก็ดูหน้าดูตาใชบ้าง ด้วพระที่อยู่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันยับล่อยเกินเกินไปจะถึง ป, ปลายผู้ทำลายพุทธศาสนาสำหรับวันนี้เวลาเลยไปหนึ่งนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี